เรื่องจากบ้านหน้วยแคนวันหนึ่งเวลาประมาณยี่สบนาฬกาเศษเศษกำลังนั่งอยู่ในสมไฟกับท่านพระอาจารย์เสียงเครื่องบินกระหึ่มขึ้นบินผ่านทั่วไปท่านบอกให้ผู้เล่าพรางไฟผู้เล่าทำอะไรไม่ทัน <c oughs> ก็เอาจีวรคลุมโปงสองมือกลางออกยืนก่อมกองไฟไว้จนกว่าเครื่องบินจะบินผ่านไปวนไปวนมาสอถึงสามครั้ง จังนานซิละเกินเตื่นเช้าไปบินทบาทจึงรู้ว่ามีการจัดตั้งกองโจรขับไล่กองทัพญี่ปุ่นออกไปเครื่องบินนำเอาอาวุธยุทธปัจใจมาให้ฝึกพลลพักการเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์จึงเกิดขึ้นเช่นเกณฑ์นคนไปฝึกอาวุธเกณฑ์สเสบียงรู้กันอยู่ว่าปีนั้นฝนแรงข้าวมีน้อยแต่ถูกเกณฑ์ไปให้พลลพัก แม่บ้านต้องหากุดกลอยขุดมันมากินแทนข้าวประเนนก็ฉันอย่างนั้นทุกแทบเลือดตากระเด็นแต่ผู้มีอำนาจและพลพรรคเหลือกินเหลือใช้เพราะส่งมาจากต่างประเทศโดยเครื่องบินสงครามคือการเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงบังคับขู่เข็นเดือนสามผ่านไปสุมไฟถูกรื้อถอนเพราะอากาศอบอุ่นขึ้นแล้ว พอเดือนสี่มีชาวบ้านหนองผือประมาณห้าคนได้ขึ้นมาที่ศาลาที่ท่านพักอยู่กราบนมัสการแล้วยื่นจดหมายถวายท่านยื่นให้ผู้เล่าอ่านให้ฟังเนื้อความในจดหมายเขาหนีมุนท่านพระอาจารย์ไปพักที่วัดป่าบ้านหนองผือท่านตอบรับทันทีสั่งให้เตรียมข้าวของชาวบ้านเขาบอกไม่ใช่ให้ท่านพระอาจารย์ไปวันนี้ จะกลับไปบอกพระอาจารย์หลุยจันทาสาวโรซยก่อนแล้วท่านจะจัดคนมารับพระอาจารย์หลุยสั่งอย่างนี้ท่านว่าดีเหมือนกันเราก็ยังไม่ได้บอกหมูวันขึ้นสิบห้าำเดือนสี่เพนหมูจะมาลงอุโบสถกันบอกหมูแล้วก็ให้โยมมาวันนั้นพักแรมหนึ่งคืนวันแรมค่ำหนึ่งเราก็ออกเดินทางกัน ผู้เราไม่เคยคิดเพิ่งรู้ว่าวิสัยสัตว์บุรุษไม่ยอมละทิ้งหมูเช่นตอนที่ท่านอาพาธหนักจะจากพนานิคมไปสกลไปพักวัดป่าสุทธาวาสยังพูดกับโยมมารับว่าหมูละจะไปอย่างไรคุณวิเศษชาวนาสมิตรกราบเรียนว่าได้เตรียมรถรับส่งตลอดมีเท่าไรเอาไปให้หมดท่านพระอาจารย์ว่า ถ้าอย่างนั้นเอาพวกเราไปหลังทาอุโบสถแล้วท่านบอกว่าอีกไม่นานที่ น, นี้จะมีแต่ทหารเต็มไปหมดใครจะอยู่ใครจะไปก็ตามใจเรื่องเมตตาชาวบ้านห้วยแขน สเดือนให้หลังแห่งการอยู่บ้านห้วยแคนท่านได้แนะนํำชาวบ้านว่าข้าวเกิดจากดินไทยกราดแผ่นดินหวานลงบนดินปักดำลงบนดินบุกเบิกชําระดินให้เตียนดีไถยดินดินแล้วดินเล่าก็คนนี่แหละทำบ้านอื่นเขาก็คนเราก็คนเหมือนกันเขามีข้าวกินเราหดข้าวกินมันอะไรกันท่นนองนี้แหละที่ท่านพระอาจารย์สั่งสอน วันจากบ้านห้วยแขนสู่บ้านหนองผือผู้หญิงร้องไห้ผู้ชายบางคนเช่นผู้ใหญ่ฝันก็ร้องไห้คร่ำครวญว่าเป็นเพราะพวกเรายากจนท่านจึงไม่อยู่ด้วยท่านก็ว่าเราอยู่มาแล้วสี่เดือนพวกท่านอดอยากแต่พระก็ได้ชันทุกวันอยู่แผ่นดินเดียวกันคิดถึงก็ไปเยี่ยมยามถามข่าวกันได้ท่านว่า สองปีผ่านไปกระบวนเกวียนาเลียงเข้าเปลือกและเข้าสารพร้อมวัตถุอันบุคคลพึงบริโภคก็ลำเลียงจากบ้านห้วยแคนสู่วัดป่าบ้านหนองผือดินแดนท่านพระอาจารย์มั่นพากเวียนไวร้ริมทางใกล้หมู่บ้านริมทุ่งปุูกล่าวัวให้อาหารวัวหาฟืนหุงอาหารเลี้ยงดูกันเวลาเช้าถวายบิณฑบาต ท, ท่านพระอาจารย์มั่นพร้อมพระสงฆ์ ฟังเทศเสร็จแล้วถวายข้าวเปลือกหลายกระสอบและข้าวสารอันเป็นผลผลิตจากน้ำมือชาวบ้านท่านถามอะไรกันเนี่ยเขาตอบพวกกระผมชาวบ้านห้วยแขนแต่ก่อนอดอยากเดี๋ยวนี้ไม่อดแล้วเพราะฝั่งเทศท่านพระอาจารย์ว่าให้เอาข้าวกล้าหวานดำลงบนดินวันนี้พวกกระผมได้ทำลงบนดินได้ข้าวมาถวายตอบแทนบุญคุณท่านที่สอนพวกกระผม ให้ได้กินได้ใช้ไม่ต้องเอาลืมกระบอกคือคิดใต้มัดรวมการสิบอันเป็นแลกบ้านอื่นอีกแล้วพักอีกหนึ่งคืนถวายทานเสร็จชาวบ้านห้วยแคนก็กราบลาท่านพระอาจารย์มั่นยกขบวนเกวียนกลับ